ก็บอกให้รู้ว่าเป็นบุญเป็นบา ร, รมีของแต่ละคนทุกคนละที่สนใจอยากมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีมิตรใมีอัธยาศัยเคยสร้างบา ร, รมีมาเคยได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเคยได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มันอยู่ในจิตใจมันมีนายพรานคนหนึ่งเขาไปล่าสัตว์ในป่าเขาไปล่าหมูป่าเขาไปยิงหมูป่าเสร็จแล้วเหมือนกับว่าหมูตัว น, นี้มันจะย้อนกลับมาเล่นงานเขาพอจวนตัวแล้วไม่รู้จะทํายังไงหมดที่เพิ่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาเอา ยอมตายแล้วเราทำเขาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอลืมตาขึ้นมาหมูก็หายไปหนีไปเออก็แปลกดีนะแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งไม่มีใครสอนเลยนะให้ภาวนาให้อะไรก็เขามาเล่าให้ฟังก็รู้จักกันเป็นเด็กอยู่ชั้นป .6 พอดีใส่ติ่งเขาอักเสบเขาจะเข้าห้องผ่าตัดเขาก็กลัว มันกลัวเนี่ยมันรู้จะทำยังไงนึกพุโทโธขึ้นมาเองเขาว่าออพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธหาที่พึ่งออจนดมยาสลบสลบไปพร้อมกับพุโทโธเลยเขาว่าพอฟื้นขึ้นมายัางพุโทโธต่ออีกเลยได้กรรมฐ า, านเลยเด็กคนนี้ <c oughs> แล้วชีวิตของเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่ า, ารู้สึกว่า ก็พอมีชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่มันมีความสงบมันก็ทำให้ชีวิตมันมันไม่ค่อยมีความทุกข์อ่ะคนที่มาเกี่ยวข้องก็เป็นคนดีเขาก็ดำเนินชีวิตไปก็เห็นว่าเออคนที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยบางทีอะ่ะมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติกันนี้่ต้องเคยได้ปฏิบัติมาทั้งหมดแ่ละแล้วก็ถ้าปฏิบัติไปถ้าใครเพียรมากพยายามปฏิบัติอันนี้ถ้ารู้เป้าหมายของพระพุทธเจ้าก็หมายคึงว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ให้ติดอยู่ตรงไหนเลยนะให้มีสติแล้วก็รักษาจิตได้แล้วก็จิตก็เป็นสมาธิ คือจิตเนี่ยถ้าตัวสติเนี่ยมันมันมันมันมีหน้าที่ที่จะควบคุมจิตรักษาจิตเนี่ยสติเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องสอนให้เจริญสติก่อนเจริญสติให้มีสติก่อนโดยไม่ต้องไปนึกถึงสมาธิไม่ต้องอยากได้ความสงบไม่จ้องอยากได้สมาธิอะไรให้มีสติแล้วสตินี้มันมีหน้าที่คุ้มครองจิตรักษาจิต แต่ถ้าหากว่าอธิบายความหมายของสติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแปลว่าระลึกได้การลึกได้ก็คือมันระลึกรู้อยู่ที่จิตแล้วมันก็ควบคุมจิตแล้วถ้าหากว่าสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวสติเนี่ยก็จะควบคุมจิตให้มีสมาธิมากขึ้น ทีนี้ถ้าสติมีกําลังเพิ่มขึ้นหลังจากที่จิตมันเป็นสมาธิแล้วมันก็จะทําให้จิตนี้มีกําลังสามารถรู้อารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาได้อะไรเกิดขึ้นจิตก็จะเริ่มออกไปรับรู้ได้นี่เรียกว่าจเจริญสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจิตใจมีสมาธิแล้ว ต้องเจริญสติสัมปชัญญะคือให้รู้อารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาในจิตของเราไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายดูสภาพร่างกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือว่าดูขนันหานี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองว่าอันนี้หละ่ะเป็นสมาธิตามแนวของคาสอนของมุติเจ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิ แต่ถ้าสมาธิมุ่งไปที่ความสงบให้จิตพักอยู่ในความสงบให้เกิดความสุขความสงบอันนี้พระพุทธเจ้ามีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่เป็นสมาธิแล้วถ้าเอาไปฝึกอภิญยาเอาไปฝึกในทางที่จะทำให้จิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษมีหูทิพตาทิพรู้อดีตลู้อนาคตลูวลลจิต สามารถที่จะเนรมิตร่างกายเป็นหลายๆอย่างได้สามารถสร้างอิทธิลิศทางใจได้อันนี้ก็มีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านี้เน้นให้มีสมาธิแล้วก็ จเจริญสติสัมปชัญญะคือให้จิตตั้งมั่นรู้อารมณ์คาว่าตั้งมั่นในที่นี้คือจิตเป็นกลางกลางอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีผลต่อจิตจิตก็เลยรู้อารมณ์ทั้งหลายเมื่อรู้แล้วก็รู้มากขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหลังจากที่จเจริญสติสัมปชัญญะแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าทางสติสัมปชัญญะแล้วก็เจริญจิตเพื่อให้รู้ความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใครใก็ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นต้องวางใจให้เป็นกลางจนกระทั่งจิตเริ่มเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเอง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้คือเห็นพระไตรลักษ์แล้วก็พระไตรลักษณ์นี้เป็นประตูของพระนิพพานถ้าใครเริ่มเห็นพระไตรลักษณ์เริ่มเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตจะค่อยๆปล่อยวางไม่หลงยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้ว จิตก็สามารถบรรลุมรรคผลและก็นิพพานสิ้นอาสวักิเลสได้เพราะฉะนั้นสมาธิของพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อสิ้นอาสวักิเลสก็คือละความเป็นตัวเราของเรานั่นเองถ้าหาว่าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ติดอยู่ในขั้นไหนสติมันดีเราก็เ อ, อ่รู้ว่ามันดีมันมีกําลัง ใจิตใจสงบเป็นสมาธิรู้ว่มันเป็นสมาธิแต่ทีนี้มันก็จะมีเวลาสมมว่าเราเร า, เราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะอย่างที่มาเล่ากันอะบางทีบางทีในสมาธิพอเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะมีสภาวะต่างๆเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะขนลุกขนพองก็ได้ด้วยคือพวกปีติเนี่ย มันมีผลต่อร่างกายคือคนปฏิบัตินี้มันจะมีจิตใจมันจะรู้สึกว่ามันเบิกบานแล้วก็มันอิ่มอยู่ในใจมันอิ่มใจความอิ่มใจนี้มันมีผลต่อร่างกายด้วยบางทีมันเหมือนกับว่าทำให้ขนลุกขนชันได้เขาเรียกว่ามันเป็นปีติชนิดหนึ่งขุทกาปีติเป็นปีติที่มันเกิดขนลุกขนชันแล้วก็ คณิกาปีติปีติเล็กๆน้อ ย, อยวๆวูวว่าบาบก็มีแล้วก็โอการติกาปีติปีติทําให้เกิดตัวเบาตัวลอยบางคนก็ตัวเบาก็มีบางทีลอยได้จริงๆเลยบางคนนี่ตัวลอยได้อันนี้เป็นอานาจของปีติเท่านั้นเองบางคนก็ไปคิดว่าเออเป็นเพราะมีฤทธิ์มีอะไรไม่ใช่อ่ะมันก็มีเนนคนนึง ตอนนั้นเขาเขานั่งสมาธินั่งอยู่ดีๆเนี่ยเนเนเนี่ยอายุายัยงน้อยอะ่ะจิตของเขามันไม่ค่อยมีอะไรมากพอนั่งสมาธิแล้วตัวเขามันลอยขึ้นลอยขึ้นเขาก็รู้สึกอยู่นะว่ามันลอยขึ้นลอยขึ้นแต่เขาไม่สนใจก็รู้ว่ามันลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปก็แปลกนะมันลอยขึ้นไปติดอยู่ที่เจดีอ่ะไปอยู่บนเจดีเจดีก็สูงพอสมควรนะทีนี้พอเขาออกจากสมาธิอ่ะ ลืมตาขึ้นมาไปนั่งอยู่บนเจดีอ่ะหาทางลงไม่ได้ทีนี้ตอนลอยนั้นลอยขึ้นไปได้ตอนลงนี่มันไม่ลอยลงทีนี้มันไปติดอยู่ต่ก็ตะโกนเรียกให้คนช่วยเอาขึ้นไปทำไมครับวาผมไม่ได้ขึ้นมาเองมันลอยขึ้นมาเนนบอกต้องพากันไปหาบันไดมาให้เนนลงจากเจดีเนี่อันนี้ก็มีอันนี้เป็นพระโอกันติกาปิติ และก็ภาลนาปิติปิติตรงนี้เป็นปิติซาบ่าเย็นฉ่าไปทั่วร่างกายก็มีพวกขุทธกาปิติปิติที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางทีน้ําหูน้ําตาไหลพวกนี้มีหรือว่าพวกคณิกาปิติปิติชั่วครั้งชั่วคราวเป็นขณะขณะโอกันติกาปิติปิติที่มันเกิดตัวเบาตัวลอยภาลนาปิติ เป็นพวกซึ่งมันราบซ่านไปตัวสนาัาพังร่างกายเหมือนกระอาบน้ำเย็นไปทางร่างกายก็มีแล้วก็ปีติโลดผนมีปีติชนิดหนึ่งเป็นปีติโลดผนปีติชนิดนี้เนี่ยมันจะรุนแรงเช่นตัวโยกตัวกระตุกเวลานั่งนั่งไปก้มคลุบลงไปเร็วเ็วแรงแรง บางทีหงายหลังบางคนก็หงายหน้าห ง, งายหลังบางคนหมุนบางคนกระเด็นเลยสมัยก่อนเนี่ยมันมีบางคนนั่งนั่งอยู่บนเตียงนะมันกระเด็นตกเตียงเลยมันดีดพวกนี้เป็นปีติโลดผลบางทีก็ตัวพองขึ้นนี่ก็อำนาจของปีติเหมือนกันเหมือนตัวพองขึ้นหรือเหมือนขามันยืดยาวออกไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาผู้ปฏิบัต ถ้าหาว่าเราวางใจถูกต้องเป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรจะเกิดมันก็แค่ทำให้เรารู้สึกเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นผลของการปฏิบัติเท่านั้นเองจิตของเราวางถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคนที่ปฏิบัติชำนาญแล้วมันจะไม่มาสนใจพวกเล็กๆกน้อยเหล่านี้เลยหรือบางทีก็มีแสงเกิดขึ้นมีแสงมีสีเป็นแสงสีวูบวับ สว่างขึ้นมาก็มีบางทีก็มี limit. นิมิตนิมิตเนี่ยหมายว่าจิตของเราเนี่ยมันเล่นหลอดออกไปข้างนอกหมายว่าจิตของเราเนี่ยมันยังไม่ยาสมาธิยังไม่สนิทยังไม่แนบแน่นมันก็เลยเล่นหลอดออกไปสร้างมโนภาพขึ้นมาหรือบางทีจิตของเรามันนึกอะไรขึ้นมามันแทนที่มันจะเป็นความคิดมันก็เป็นภาพขึ้นมาเป็นมโนภาพขึ้นมาก็เป็นนิมิตได้แต่ถ้าหาว่าเรารู้แล้วก็รักษาจิตไว้ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้มันจะตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจา้าอันนี้เป็นผลของการปฏิบัติแต่สำหรับเบื้องต้นนะส่วนผู้ที่ปฏิบัติพอเรารู้หลักวางจิตถูกต้องแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายจากสติเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้นก็เริม่มมีสมาธิ แนวแน่ decline, ขึ้นมาแล้วถ้าหากว่ามันยังอยู่กับอารมณ์เดียวหมายความมันยังอยู่กับอารมณ์ตามอารณมอยู่จดจ้องอยู่ที่อารมณ์เดียวจิตนิ่งอยู่อยู่กับอารมณ์เดียวอันนี้ยังคงเป็นสมถกรรมฐานหมายความว่ามันต้องการพักจิตอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความสุขความสบายมีความสงบมีความสุข ค, ความสบายแต่จิต ไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดปัญญาญาณจิตยังไม่ยังไม่เห็นพัตไตรลักษณ์ปัญญาในที่นี้คือเห็นพัตไตรลักษณ์คือมันจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวถ้าหาว่ามันอยู่อารมณ์เดียวนานๆบางคนเนี่ยบางคนเคยไปปฏิบัติมาแล้วก็ไปฝึกทางสมาธิมาเขาไม่ได้สอนอะไรมากสอนให้มีให้มีสมาธิ อยู่กับสมาธินานหลายปีมีคนหนึ่งเขาเขามาเล่าหลายคนอะ่ะเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าเออจิตของเขาเนี่ยฝึกมานานแล้วแต่ว่ามันไปพักอยู่เฉยๆเขาก็รู้สึกว่าต่อมาเนี่ยมันไปพักอยู่นั่นตรงนั้นบ่อยๆอ่ะมันไปนิ่งอยู่เฉยๆบ่อยๆก็เลยมารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราไม่ได้อะไรเลยอะ่ะทีแรกก็ดีอะ่ะรู้สึกว่ามันสบายดีเพราะว่า เรายังไม่เคยได้รับผลของการที่จิตมีสมาธิพอจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกสบายมีความสุขความสงบแต่พอสมาธิมันจางไปแล้วมันหมดไปก็ต้องไปทำสมาธิใหม่แล้วเขาทำแบบนี้มาเป็นปีๆอะ่ะมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนไม่ได้อะไรเลยเหมือนมันเท่าเดิมอะ่ะ ก็พยายามที่จะไปศึกษากับครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างก็เลยรู้ว่าถ้าสมาธิมันมีกำลังมากสมาธิจะครอบงำจิตไว้จิตไม่สามารถที่จะออกรู้อารมณ์ได้มันก็เลยต้องนิ่งอยู่ตลอดทีนี้ต้องรอเวลาให้จิตมันคลายออกจากสมาธิซะ ก, ก่อนคือรอให้สมาธินี่มันจางไปก่อนจากนั้นค่อยเอามาฝึกรู้ในสติปัฏฐานสี่ มาเจริญสติปัฏฐานสหรือว่ามารู้ขันห้าถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะเกิดสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสมาธิซึ่งเดีย ว, ว่าสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแนวทางของพระพุทธเจ้าขึ้นมาหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าไม่ให้มันเข้าไปพักแล้วให้มันมาดูขันห้าเลยมันมาเจริญสติปัฏฐานสี่ไปเลยก็ได้ จะเรีสิทฐานสีแล้วมันจะค่อยๆสงบลงไปสงบลงไปสงบลงไปแล้วก็มันก็อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้ในสติปัฏฐานสีนี่แหละหรือว่ารู้ในขันห้ามันก็อันเดียวกันแล้วจิตใจเนี่ยมันก็มีสติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญานี้มีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง แล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนตังมะมะที่พุทธเจ้าในในธรรมจักกบประวัตนนสูตรที่สวดกันน่ะเนตังมะมะหมายก็ว่าไม่ใช่ของเราเนตังมะมะเนโซหมัสมิไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเนโซเมอตาติไม่ใช่ตัวตนของเรา้วบางทีภาษาบาลีนี่เราจาไม่ค่อยได้ มันก็คือเห็นพระไตรลักษณ์ก็เห็นในอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นแพ้พระไตรลักษณ์นั้นก็แสดงว่าเริ่มที่จะเห็นความจริงละเริ่มมีปัญญายาและเพราะฉะนั้นพระไตรลักษณ์นี่แหละซึ่งเป็นประตูผนิพานถ้าได้เริ่มเห็นพระไตรลักษณ์แล้วถ้าปฏิบัติต่อไปเดียวมีหวังละ ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าหากว่าไม่ท้อถอยมีความเพียรพยายามอดทนแล้วในครั้งนี้การปฏิบัติของเราเราก็พูดในหมวดธรรมซึ่งเรียกว่าโพธิปัจจียธรรมซึ่งมี37ประการโพธิปักจียธรรมก็คือธรรมะฝ่ายที่ทําให้ตัสรู้ธรรมะฝ่ายที่จะทําให้บรรลุอริยสัจสี่ มีสา7สประการแล้วก็หมวดที่สำคัญที่สุดก็คือสติปัฏฐานสี่เป็นหลักสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ปฏิบัติมาในแนวนี้คือจเจริญสติปัฏฐานสี่มีสติตามดูกายซึ่งเรียกว่ากายานุปัสนาในนี้เรียกว่าตามดูกายสติปัฏฐานหมายเอาสติไปตามดูกาย เวทนานุปัสนาตามดูเวทนามีสติตามดูเวทนากิตตานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูจิตธร ม, มานุ ป, สสปสนัสนาตามดูธรรมธร ม, มานุปสัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูธรรม เพราะนั้นเราฝึกในแนวนี้แต่ถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยกำลังที่จะออกไปดูยังไม่พอเราก็ต้องอยู่ในกรรมฐานเบื้องต้นของแต่ละคนเช่นอยู่กะลมเข้าลมออกหรือว่าลมเข้าพุทลมออกโทรหรือว่าลมเข้าพุทธหนึ่งลมออกโทหนึ่งหรือว่าพองหนอยุบหนอหรือว่าสัมมาอารหังหรือว่ากรรมฐานชนิดใดก็ตาม เพื่อให้สตินี้ควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวก่อนนี้จึงเรียกว่าสติเบื้องตน้นกรรมฐานเบื้องตน้นเมื่อสติควบคุมจิตได้แล้วจิตค่อยๆสงบลงไปแน่วแน่ลงไปเรื่อยๆระหว่างนั้นถ้าหากว่าสติของเราเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราเนี่ยยังฝึกน้อย ความเพียรเราน้อยหรือชาติก่อนๆเราฝึกมาน้อยด้วยชาตินี้เราก็เริ่มเพิ่งแค่เริ่มฝึกบางทีสติของเรามันยังไม่ต่อเนื่องกําลังยังไม่มากพอจิตมันเร็วกว่ากว่าตัวสติคือสติควบคุมไม่อยู่คุณง่ายๆเพราะฉะนั้นจิตก็จะหลุดไปเพ้อไปนี่เขาเรียกว่าใจลอยไปหรือจิตเพ้อไปหรือว่าขาดสติก็ได้ เหตุมันก็คือสติของเรายังมีกําลังไม่พอความเพียรของเรายังไม่มากพอความพยายามความอดทนของเรามันยังไม่ต่อเนื่องกําลังที่จะควบคุมจิตยังไม่ยังไม่พอจิตเป็นธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์มันต้องวิ่งไปรู้อารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์มันก็ต้องน้อมไปหาอารมณ์แล้วก็เป็นธรรมชาติที่นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตมันจึงเร็วมันจึงวิ่งไปหาอารมณ์มันจึงปรุงแต่งอารมณ์ได้เร็วมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราเราเข้าใจตามนี้เวลาจิตของเรามันนึกคิดไปบ้างเราก็ไม่กังวลใจเรารู้แล้วว่าธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้เราก็มาสร้างเหตุต่อพยายามเพียนต่อไปพยายามปฏิบัติต่อไปนี่คือแนวทางที่เราปฏิบัติอยู่แล้วทีนี้ก็มีบางท่านก็มาถามว่าถ้าหากว่าจิตมันคิดไปเราดูความคิดเลยได้ไหมก็อยู่ในแนวของสติปัฏฐานสี่เรียกว่าจิตตานุปัสนาตามดูจิต ได้ตามดูอาการของจิตไม่ใช่ตามดูเรื่องที่จิตคิดเนี่ยก็แสดงว่าจิตเนี่ยมันเริ่มมีสติสัมปชัญญะแล้วอ่ามันเริ่มเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วที่แรกดูกายเหรอซึ่งว่าดูลมอย่างเงี้ยลมก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็คือตามดูกายหรือบางคนก็ดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเหมือนกัน ถ้าถนัดอย่างนั้นชอบอย่างนั้นก็ดูได้อย่างที่วัดมีเด็กคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติเด็กอยู่แค่เขาเริ่มปฏิบัติของเขาอยู่ป .4 ปอ .5 อะไรเงี้ยป .3 ป .4 เนี่ยเขาที่แรกเขาพุโทโธพุโทโธไปเสร็จแล้วพอจิตของเขามันมันถอยออกมาจากพุโทโธแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามันง่วงก็เลยบอกเขาให้เพ่งผมนะอ่ะให้ให้เขาดูผมว่าดูได้ไหมเขาตอบว่าเขาดูได้ บอกให้ผมผมทำความรู้สึกว่าผมอยู่บนศีรษะเขาทำแล้วจิตเขาตื่นอันนี้ก็แสดงวันพอดีกับเขาที่จะไปดูกายแต่ว่าเป็นดูเป็นเป็นอาการสามสิบสองเขาถนัดที่จะดูผมจะให้เขาดูผมไปต่อไปมันก็จะไปที่เดียวกันแหละแต่มันจะเห็นะตายลรักเหมือนกันหมดอ่ะ เมื่อจิตมันมันเป็นสมาธิแล้วถ้าจิตไปนิ่งอยู่อันนี้ต้องรอเวลาให้กำลังของสมาธิลดลงคือจิตใกล้จะออกอย่าเพิ่งออกให้มาเจริญสติฐานสี่ต่อไปก่อนต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ได้นี่แสดงว่าเคยเจริญสมาธิม า, มากคือสมถาะา ม, ามากแต่ว่าวิปัสสนายังน้อยอยู่จึงต้องฝึกใหม่แต่ถ้าคนไหนที่เขาเคย ฝึกวิปัสสนามาพอจิตเริ่มเป็นสมาธิปับ๊บมันจะออกมาจเจริญสติสัมปชัญญะเลยหรือมาดูพระไตรลักษณ์เลยเพราะฉะนั้นบางคนจึงเร็วบางคนช้าต่างกันเพราะว่ามีเหตุปัจจัยมาต่างกันเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ก็คือมีสติตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรม แต่ไม่ใช่ไ ป, ไปทําไปทีละอย่างก็ทําไปอันไหนที่มันพอดีกับจิตก็ทําไปได้แล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาอันไหนชัดเจนก็ดูอารมณ์นั้นไปดูกายบ้างดูเวทนาบ้างดูจิตบ้างดูธรรมบ้างนี่คือเจริญสติฐานสี่แล้วแล้วเราก็บอกว่าออในสติปฐานสี่นี้มันจะมีหลักสําคัญที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตามดูกายก็ตาม ูเจ้าบอกว่าให้มีอาตาปีเพียนเผากิเลสให้เราร้อนสัมปชาโนสติมามีสัมปัจฉญญามีสติหรือจะพูดว่ามีสติสัมปัจฉญญาก็ได้แล้วก็ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ก็คือรักษาใจไว้ไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับอะไรมีสติตามดูเวทนาหรือพิจารณาเวทนาในเวทนาแล้วก็มีความเพียน มีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ต้องพยายามไม่ให้จิตไปยินดียินร้ายไม่ว่าเราจะดูอะไรก็ตามดูกายดูเวทนาะหรือว่าดูจิตก็มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้หรือว่าดูธรรมธรรมก็คือว่ามันเป็นอารมณ์ของใจเราเรียกว่าธรรมอารมณ์อย่างอารมณ์บางอย่างอย่างเงี้ยมันเกิดกับใจ ใจมันเข้าไปรับรู้เช่นพวกแสงสว่างพวกความง่วงความซึมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาการที่จิตเข้าไปสัมผัสเข้าไปรับรู้ได้มันรู้ทางใจเขาจึงเรียกว่าเป็นอารมณ์ธรรมหรือธรรมอารมณ์หรือเห็นพระไตรลักษ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็มันเป็นธรรมธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตใจรู้ทางจิตได้ ก็ต้องมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะบางคนทําไมมีนิมิตบางคนจึงไม่มีนิมิตบางคนก็มีนิสัยที่จะรับรู้ไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ก็มีเหมือนกันบางคนก็เห็นมากบางคนก็เห็นน้อยอันนี้ก็หลักเดียวกันคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอ่ะต้องมาเข้ามาหาจิตตัวเองรักษาจิตตัวเองเห็นก็รู้ว่าเห็นแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ถึงไม่เห็นนิมิตเป็นภาพเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมาธิเราเรียกว่านิมิตหมดเลยอารมณ์ของจิตที่เห็นในสมาธินั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นนิมิตเพราะเราปฏิบัติมันก็เลยเห็นขึ้นมาเกิดขึ้นมามันเป็นผลของการปฏิบตัติเราก็ต้องมีหลักของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาไว้ มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินรายในโลกนี้เสียให้ได้หรือเราใช้หลักที่ผู้เจ้าสอนเอาไว้ว่าให้พอใจปฏิบัติให้พอใจสร้างเหตุเท่านั้นพอใจเจริญสติไปเรื่อยๆส่วนผลแล้วแต่สภาวธรรมคือเราจะไม่ไปคำหนึ่งถึงผลเพราะผลมันต้องเกิดจากเหตุถ้าระวางใจถูกต้องอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็สบายแล้วถ้า กรรมฐานเบื้องต้นต่อไปก็สติปฐานสี่สติปฐานสี่แล้วมีสติสัมบัติมีกำลังแล้วก็เริ่มเห็นพระไตรลักษจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นพระไตรลักษเมื่อเห็นพระไตัลักษและจิตก็ค่อยๆปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมหรือปล่อยวางขันห้าได้มากขึ้นเรื่อยๆในสติปฐานสี่ผู้เจ้าจึงสรุปว่าบุคคลผู้เจริญสติปฐานสี่ เมื่อเจริญสี่สันสีแล้วก็กระทําให้มากจเจริญแล้วกระทําให้มากจนสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์จะทําให้โพชฌงเจตโพชฌงเจตสมบูรณ์โพชฌงเจตหมายว่าองค์ประกอบที่จะทําให้บรรลุธรรมแล้วธรรมะฝ่ายที่จะเตรียมจะบรรลุธรรมแล้วก็จะสมบูรณ์นี่แสดงว่าสติปัฏฐานสี่ต้องปฏิบัติไปตามลําดับตามลําดับ ปฏิบัติไปเรื่อยผลของการปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเพียรไม่หยุดผลข้องการปฏิบัติก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมามันทําให้โพชฌงเจตสมบูรณ์โพชฌงเจตสมบูรณ์ก็คือมรรคก็สมบูรณ์และก็เกิดวิชาและวิมุติขึ้นมาได้เมื่อพูดถึงทำหมวดแรกแล้วทีนี้ก็หมวดที่สองจะทธิบาเยาะเยาะเพราะว่าเราพูด หัวข้อไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราจะพูดในแนวของหมวดทำฝ่ายที่จะทำให้ตัดสรุฝ่ายที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ฝ่ายที่จะทำให้รู้แจ้งในอริย ส, สัจสีหัวที่สองซึ่งเรียกว่าสัมมประธานสี่ความเพียรชอบสี่ประการคือความเพียรชอบสัมมา สัมมาบวกประทานประธานนี่เป็นชื่อของความเพียรเป็นความเพียรชอบเป็นเพียรเพื่อออกจากทุกข์มีสอย่างหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังบาประวังอกุศลทั้งเก่าและใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าสติดีเนี่ยมันก็จะกั้นพวกอกุศลได้เองเพราะฉนั้นถ้าจเจริญสติประธานสี่ไปเนี่ยมันจะกั้นอกุศลได้แต่ทีนี้ เพื่อเสริมให้สติประฐานสีเนี่ยมันมีกําลังเพิ่มขึ้นก็เลยมีทำรรมหมวดเพื่อจะรองรับสนับสนุนให้สติประธาน4ี่คือธรรมะหมวดที่เป็นหลักนี้มันจเจริญก้าวหน้าต่อไปก็เลยเรียกว่าสัมมาประธานสี่ความเพียรพูดถึงความเพียรและความเพียรชอบ4ประการเพียรเพื่อออกจากทุกสี่ประการเพียรระวังบาปอากุศลไม่เข้ามานั่นคือสติเนี่ย มันจะกั้นไม่ให้บาปหรืออกุศลเข้ามาในจิตของเราถ้าสติของใครมีกําลังเนี่ยเวลาไอ้พวกอกุศลทั้งหลายเช่นเรื่องเราในอดีตหรืว่าเราไปทําไม่ดีเอาไว้เนี่ยจิตทําท่าทําท่าจะนึกขึ้นมาอารมณ์พวกนั้นทําท่าจะเข้ามาในจิตสติจะวิ่งไปตัดไว้เลยกั้นไว้เลยไม่เข้ามาเพราะนั้นหน้าที่ของสติเนี่ยนอกจากจะควบคุมจิตให้เป็นสมาธิแล้ว มันก็ทําหน้าที่กั้นจิตเอาไว้กั้นอารมณ์ไม่ให้เข้ามาหาจิตกั้นจิตไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์ก็มีชื่อเป็นความเพียรชนิดนี้ว่าสังวรประทานเพียรสังวรเพียรระวังไม่ให้บาปและอกุศลเข้ามาไม่อกุศลเข้ามาในจิตเพียรประหารถ้าอากุศลมันเข้ามาเขาเรียกว่าประหานะประทานเพียรละ อกุศลที่มันเข้ามาในจิตแล้วทลายได้ละเลยทลายยังไม่ได้ต้องดูต้องใช้สติเข้าไปดูเมื่อมีสติมีกําลังแล้วนี่มันก็เหมือนเราเป็นผู้ดูมันเหมือนไม่ใช่เราแล้วพวกอกุศลทั้งหลายนี้ก็จะดับไปเมื่ออกุศลไม่เข้ามาทีนี้ก็ภาวนาประทานเพียรทําให้กุศลเจริญขึ้น เพราะนั้นเวลาภาวานาเวลาปฏิบัติธรรมนี่มีแต่ฝ่ายกุศลทางนั้นเจริญขึ้นเช่นพวกสติพวกสมาธิพวกปัญญาพวกนี้เป็นฝ่ายกุศลหมดเลยแล้วเป็นฝ่ายกุศลที่มีกําลังมากแล้วอนุลักษณาประทานเพียนอนุลักษเพียนรักษาเพียนรักษาในที่หมายว่าเพียนทําให้มันเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นจนไทบูนจนบริบูรนสมบูรณ์แม้ คนที่ปฏิบัติในสมปัะทานสี่ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็คือหมวดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคล้ายๆกับ ว, ว่าเอามาพูดในแง่ของความเพียรเพียรระวังบาปอรุศไม่ให้มันเข้ามาสังวรประทานเมื่อเข้ามาแล้วเพียรละมันเรียกว่าปะหานประทานจากนั้นก็เพียรภาวนาเรียกว่าภาวนาประทานก็คือว่าเพียรทำให้กุศลนี่จเจริญขึ้น มากขึ้นให้มีขึ้นเป็นขึ้นสติยังไม่มากพอก็เจริญให้มันมากขึ้นทำให้สติมันดีขึ้นมาเมื่อสติมีแล้วก็จิตก็เป็นสมาธิก็ทำสมาธินี้ให้มันมากขึ้นจนมันตั้งมั่นขึ้นมาเพียรให้มันมีปัญญาเกิดขึ้นให้มันรู้ความจริงมากขึ้นเห็นพระไตรลักษณ์แล้วก็ทำจนมันไภบูนขึ้นมาก็คือสติปัฏฐานีนั่นแหละ แต่ว่าอันนี้เป็นธรรมที่สนับสนุนให้สติปัญฐาสนนี่นี้เจริญแล้วในเรื่องของความเพียรพระเจ้าก็สอนว่ายังฉันท้ายเกิดขึ้นพยายามปลุบความเพียรเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ไม่ให้บาปอากุศลเข้ามาเมื่อบาปเรื่องอกุศลเข้ามาแล้วก็เพียรที่จะละมันแล้วก็เพียรให้มันกุศลมันจเจริญขึ้นทีนี้ตอนแรกนี้ เพียรกัน้นอกุศลไม่ให้เข้ามามันเข้ามาแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่มันไม่ให้มันอยู่ในจิตของเราคือทละดได้ละทละยังไม่ได้ก็ดูมันไปเดี๋ยวมันก็ละเขามันเองถ้าจิตมีกําลังแล้วมันจะพวกอกุศลมันจะดับไปเองต่อมาพระเจ้าก็พูดในหมวดที่สามเป็นหมวดสนับสนุนในสติปติฐานสี่นั่นเองเพราะสถิติฐานสี่นี้เป็นหมวดที่เป็นหลัก ทำที่สาคัญเรียกว่าอิทธิบาสีส่วนใหญ่อิทธิบาสีนี้ทางโลกก็นำเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งก็พอใช้ได้แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเอามาสอนในเรื่องของสมาธิเพื่อที่จะให้จิตนี้ออกจากทุกได้ในเรื่องของอิทธิบาสีนี้ก็มีสอย่างอิทธิก็คืออิทธิปฏิหารนั่นแหละ บาศก็คือว่าทำที่จะทําให้เกิดความสําเร็จทำที่มีทิฏฐิมีปาฏิหารคือทําให้เกิดความสําเร็จจึงเรียกว่าอิทธิบาทมีสอิทธิบาทสเป็นชไหนผู้เจ้าบอกว่าฉันทัสมาธิและปะทานสังขารวิริยะสมาธิและปะทานสังขารจิตตสมาธิและปะทานสังขาร วิมังสาสมาธิและประธานสังขารสี่อย่างนี้คืออธิบาสทสธรรมที่จะทำให้เกิดความสาเร็จเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีฉันทะแล้วก็ปฏิบตัติจนจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเรียกว่าฉันทะสมาธิแล้วก็ต้องมีประธานสังขารคือมีความเพียรรักษาเอาไว้ต้องมีความเพียรประกอบด้วยถ้าใครมุ่งมั่นบากบันมั่นคงไม่ท้อถอย สู้บุกเพียนเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัตินี่เรียกว่าวิทยาสมาธิสมาธิเกิดจากความเพียรความมุ่งมั่นบากบัตรชนิดที่ไม่ท้อถอยมั่นคงอยู่ตลอดปฏิบัติอยู่ตลอดอันนี้เรียกว่าวิทยาสมาธิและมีประธานสังขารคือต้องมีความเพียรด้วยไม่งั้นสมาธิมันจะไม่ตั้งอยู่ได้ ถ้าจิตจดจ่อเข้าไปจ่ออยู่อย่างนั้ น, นแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาเรียกว่าจิตตสมาธิและประธานสังขารคือต้องมีประกอบด้วยความเพียรด้วยถ้าใครใช้ปัญญาอบรมจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเรียกว่าวิมังสาสมาธิและประธานสังขารอิธิบาตสี่นี้จึงเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิมีความเพียรแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็จะรู้ความจริงเหมือนกันมีสติสัมปชัญญะเห็นพระไตรลักษ์แล้วก็มีผู้ที่จเจริญอิทธิบาทสแล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็หมวดธรรมสาคัญก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละแต่พวกนี้เป็นสนับสนุน แล้วข้าวต่อมาเราได้พูดถึงเรื่องอินรีห้าอินรีห้าก็คือว่าเมื่อจเจริญสติปัฏฐานสีมากขึ้นมากขึ้นสติเริ่มมีกำลังแล้วสมาธิใจตั้งมั่นมีกำลังแล้วปัญญายาเริ่มเกิดขึ้นแล้วมีความเพียรมุ่งมั่นบากบันมากขึ้นแล้วศรัทธาเห็นผลของการปฏิบัติมันทาให้จิตนี้เริ่ม ทาก็มั่นคงขึ้นมาความไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระเจ้าเริ่มน้อยไม่มีมันมีความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสการตรัสรู้ของพระเจ้าหรือเชื่อมั่นในคำสอนของพระเจ้าขึ้นมาความไม่เชื่อน้อยลงไปเรื่อยๆแทบจะไม่มีแล้วนี่เรียกว่ามันมันมีกำลังขึ้นมาแล้วเป็นอินทรีย์มันเป็นใหญ่ในในความศรัทธา คือพอมีความศรัทธาแล้วธรรมะหมวดอื่นมันก็ตามมาเรียกว่าศรัทธามันเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่ในทางที่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็เลยสามารถนำให้เกิดความเพียรเกิดสติเกิดสมาธิและปัญญาได้เพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาเนี่ยมันจึงมีอยากจะปฏิบัติเชื่อในการตรัสรู้ของมุจ้าพอมีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็ทาให้เราเนี่ยมีกาลังใจ อยากจะมาฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมเกิดความเพียรที่จะปฏิบัติเกิดสติเกิดสมาธิเอาไว้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เรียกว่ามันเป็นอินทรี่ห้าเพราะว่ามันเป็นสต้าที่มีกําลังแล้ววิริยินรี่หมายถึงวิริยะความเพียรความเพียรที่มันมันมีกําลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันอยากเพียรพยายามความความเกียจค้านเนี่ยมันเริ่มหมดไป น้อยลงไปหรือความเกียดค้านหมดไปความเพียรภายในจิตก็เรียกว่าวิริยินซีขึ้นมาอินซีแปลว่าผู้เป็นใหญ่เป็นใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดความเพียรเมื่อมีความเพียรเนี่ยเห็นผลของการปฏิบัติศาก็เพิ่มขึ้นสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นหมายคว่ามันเป็นใหญ่มันนำมันนาตัวอื่นได้มันก็เลยเป็นอินซีขึ้นมาต่อมากรสตินรีสตินี่มันก็เป็นสตินรี สตินซีเนี่ยหมายก็ว่าผู้เป็นใหญ่ในการและลึกรู้ในการควบคุมจิตเมื่อมันควบคุมจิตได้ดีจิตมั่นคงขึ้นมาแล้วจิตไม่เผลอไปทางไหนเลยเพราะนั้นสมาธิก็แน่วแน่ใจก็มั่นคงเรียกสตินซีเป็นใหญ่ในการและลึกรู้ในการควบคุมจิตสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเขาเรียกว่า สมาธิอินรีอินซีคือตัวสมาธินี้มันเป็นใหญ่ในการที่มันแน่วแน่มันมั่นคงเป็นกลางพร้อมที่จะรู้อารมณ์อารมณ์อะไรเกิดขึ้นไม่สามารถดึงจิตออกไปได้จิตไม่สัดสายจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็ทําให้ทำอื่นๆเจริญขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นสมาธิก็เป็นใหญ่ในการตั้งมั่นเป็นกลางเพื่อจะรู้อารมณ์อารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทีนี้ต่อมาปัญญรีย์ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันเป็นกลางแล้วรู้อารมณ์ทีนี้มันก็รู้อารมณ์พร้อมกับเห็นด้วยว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันดับไปผ่านมาผ่านไปเหมือนกับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี้มันเป็นใหญ่ในการที่มันประหารความหลงผิดความเข้าใจผิดออกไปได้จึงเรียกว่าปัญญีสีอันนี้ก็คือผลจากการปฏิบัตินั่นแหละแต่ว่ามันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ถ้าหากว่าอินทรีห้านี้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นพละห้าเป็นหมวดต่อมาคือศรัทธานี่ก็เต็มร้อยเลยประหารความไม่ศรัทธาไม่เชื่อในการตรัสรู้ของเจ้าไม่เชื่อในคําสอนของเจ้าประหานออกไปหมดเลยแน่วแน่เลยน้อมดิ่งลงไปเชื่อมั่นเลยเต็มร้อยเลยนี่เรียกว่าศรัทธาพละแล้วเป็นกําลังของจิตทันทีเลย อันนี้เรียกว่ามันองค์ธรรมันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามาเอาตอนที่มันเต็มที่แล้วจึงเรียกว่าศรัทธาภละวิ ร, ยริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละตอนนี้จิตจะมีกำลังมากเพราะฉะนั้นกำลังของจิตก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆจนมีภละห้าสมบูรณ์ขึ้นในจิต ความอ่อนแอในจิตจะไม่มีเลยมีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานสูงเรียวกว่าอารมณ์ที่จะมารบ ก, กวนจิตใจแทบไม่มีนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมความทุกข์ก็เริ่มน้อยลงไปละเพราะนั้นบางคนบางทีเขาจึงพูดในเรื่องของอินสีมากเพราะว่าพระห้านี่มันเป็นแค่ตอนที่มันเต็มที่เท่านั้นเองเมื่ออินรีห้าสมบูรณ์ มันก็ทําให้พ่อชงเจตสมบูรณ์ด้วยพ่อชงเจตนี้ก็เริ่มด้วยสติสัมโพชงคราวนี้สตินำหน้าแล้วตอนที่เจริญสติปัฏฐานสี่นี้ความเพียรนำหน้ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะแต่คราวนี้สติสัมโพชงเลยสติสัมโพชงไหมนึกมีสติด้วยมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาบางทีเราพูดถึงสติเนี่ยหมายถึงสติปัญญาอยู่ด้วยกันมีสติมีปัญญาแล้วสตินี้สามารถ และลึกได้แม้กระทั่งสิ่งที่เคยทำคำพูดที่เคยพูดเอาไว้หรือความคิดที่เคยคิดเอาไว้นี่มันสามารถทวนออกไปได้เลยตอนนี้สติมีกำลังมากเป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็สามารถและลึกรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เคยทำคำที่เคยพูดความคิดที่เคยคิดก็สามารถดึงกลับมา ให้ปัญญาดูได้เพราะฉะนั้นพวกที่ที่สามารถที่จะดึงอารมณ์ทั้งหลายมาให้จิตดูได้ให้ปัญญาส่องดูได้จึงเรียกว่าเป็นโพชฌงละขึ้นสู่โพชฌงละอันนี้อธิบายเพื่อให้ให้สมบูรณ์ถ้ า, าว่าเรายังไม่ถึงหรือฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการให้ทำหมวดนี้จบเพราะว่าเราอยากจะสรุปว่าเออทำมหมวดเนี้ยมันมีสามสิเจ็ดประการแล้วมันมีอะไรบ้างเราก็จะพูดให้มันรวบรัดหน่อย เพื่อที่จะให้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นบางคนก็มีสภาวะธรรมรองรับแล้วก็จะได้รู้ว่าธรรมหมวดนี้คือโพชฌงเจนะสติสัมโพชฌงก็คือมีสติมีปัญญาแล้วก็สามารถและลึกรู้แม้กระทั่งสิ่งที่เคยทำคำที่เคยพูดความคิดที่เคยคิดไว้แล้วก็ดึงมาตรวจ ด, ดูได้ตัวตัวที่ทตรวจดูสองดูนั้นเขาเรียกว่าปัญญาแต่ในหมวดนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยสัมโพชฌง คือเลือกเฟ้นธรรมเลือกเฟ้นธรรมเพื่อให้จิตเป็นกลาง<อ>เพื่อให้จิตเห็นว่ามันเป็นแค่รูปกับนามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่มันจะเริ่มเห็นพระไตรลักษณ์ชัดเจนขึ้นแล้วเห็นเป็นสภาวะที่เป็นแค่รูปนามเฉยๆไม่มีตัวตนแล้วถึงขั้นนี้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําให้จิตเป็นทุกข์ทําให้จิตนิติดข้องเนี่ยสามารถดึงมาแล้วให้จิตส่องดูได้เลยเมื่อส่องดูแล้วจิตเข้าใจแล้วว่ามันเป็นแค่รูปแค่นามอันย่อมส่วนมีเรื่อง อย่างอย่างอย่างคนที่เข้ามาแล้วเขากลับไปแล้วเนี่ยบางทีก็มี เ, ออเรื่องอเรื่องราวอะไรมีการว่ากันมีการเกียดชังกันแล้วก็ตาหนิกันนินทาว่าร้ายกันบางทีมันก็เจ็บปวดอะแต่ถ้าหาว่าใครปฏิบัติธรรมมาถึงจุดนี้ได้สามารถดึงเรื่องราวนั้นเข้ามาดูได้เขาพูดว่ายังไง แทนที่จะกลัวมันแทนที่จะคอยหลบมันเข้าสมาธิหลบไม่ใช่ดึงมาดูได้เลยดึงมาแล้วเขาว่ายังไงแล้วก็จะเห็นว่าเออเป็นเพราะจิตของเราเนี่ยมันไปยึดไปยึดคำพูดของเขาแล้วมันจะวางคำพูดนั้นเห็นว่ามันเป็นแค่คำพูดเฉยเมื่อจิตเราไม่ยึดไม่เอาเข้ามามันก็จบเขาก็อยู่ส่วนเขาไปเขาก็มีกรรมเป็นของของตนเขาก็อยู่ของเขาไม่เกี่ยวกับจิตเรา สำคัญตรงจิตเรานี่แหละที่มันไปเอาเรื่องราวข้างนอกเข้ามาปรุงแต่งขึ้นในจิตเพราะนั้นมันจะวางเลือกเฟ้นทำที่จะทาให้จิตเนี่ยมันเป็นกลางเพื่อให้จิตปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายได้นี่เพราะนั้นถ้าฝึกมาแล้วมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยเรียกว่าเนี่ยล่ะเตรียมจะบรรลุธรรมเพราะว่ามันเริ่มเห็นเห็นขันหน้าเป็นแค่รูปนามละเห็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นกายก็ตาม เวทนาก็ตามเรื่องของจิตก็ตามธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็ตามมันเป็นแค่รูปนามไม่มีตัวตนล้เพราะฉนั้นเขาจะหาเหตุผลเลือกเฟ้นธรรมเพื่อจะเห็นว่าเป็นแค่รูปกับนามเท่านั้นเองเป็นปัญญาแต่เรียกว่าธรรมวิจยะเพราะาหมายความว่าเลือกเฟ้นธรรมทําให้จิตเนี่ยปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายได้ทำให้จิตเป็นกลางๆงได้เป็นกลางเพราะมีปัญญาด้วยไม่ใช่เป็นกลางเพราะว่ามันมีอุเบกขา เบญนาตรงนี้มันมีปัญญาแล้วมันวางตัวเป็นกลางเพราะมันไม่ยึดมั่นถือมั่นความเพียรพยายามที่ทําอยู่นี้เขาเรียกว่าวิริยะสัมโพชงเมื่อเห็นมีแค่รูปนามจิตเนี่ยจะมีปีติเกิดขึ้นแต่เป็นปีติที่เกิดจากปัญญามีความอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ปีติในสมถะซึ่งวูบบ่าบผลลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลบูบหวาบตัวเบาตัวลอยไม่มี จิตอิ่มเ อ, อิบเบิกบานเพราะมันเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราแล้วก็มีปัจสิตที่สัมโพชงมีความสงบสงัดอยู่ภายในจิตใจลึกๆสมาธิก็ตั้งมัน่นมั่นเลยที่นี่จิตไม่สัดสายไปทางไหนเลยมันประกอบกันเลยพร้อมกับจิตเป็นอุเบขาลาบเรียบเพราะนั้นจิตที่จะบรรลุธรรมได้ต้องมีอุเบขาลาบเรียบหมายว่ามีปัญญาเห็นทุกอย่างแล้ว พร้อมที่จะปล่อยวางแล้วเมื่อจิตเป็นอุเบกขาลาบเรียบคราวนี้อริยมรรคมีองค์แปดที่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในขั้นนี้เป็นขั้นที่จะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่คือมันเห็นประกอบมาจนกระทั่งมันจะสรุปแล้วสัมมาสังกัปปะมันก็ดําลี่ที่จะเป็นอิสระแล้วไม่เอาอะไรแล้วมันรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วอยู่ในจิตหมดแล้วแต่ว่า ข่าวนี้เราพูดเพื่อแยกแยะเฉยๆแต่จริงๆมันรวมอยู่ในจิตหมดแล้วสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสัมมาอาชีวะมันสํารวมกันจนเข้ามาอยู่ในจิตหมดแล้วมันระวังของมันหมดแล้วสัมมาวายามะเพียรเพื่อจะออกอย่างเดียวสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้มั่นคงหมดรวมเป็นหนึ่งรวมเข้ามาเป็นหนึ่งแล้วก็ประหารกิเลสได้ เพราะฉะนั้นที่ว่าโพธิปัจคิยธรรม37ประการก็ตั้งแต่สติปทาน4สัมัคคทาน4อิทิบาท4 12แล้วก็อิน 5, 17, ร 22, ทรีย์ห้าพลห้า2ีงโคดชงเจ็แล้วก็อริยมรรคมีองค์8เป็น37ประการ พออริยมรรคมีองค์แปดรวมตัวเป็นหนึ่งรู้ความจริงสูงสุดเลยปัญญานี่สูงสุดแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราบินของเราเด็ดขาดลงไปพร้อมกับประหารกิเลสได้บรรลุอริยมรรคครั้งที่หนึ่งนี่แหละอริยสัจสีเริ่มมาแล้วเห็นอริยสัจสีชัดเจนอริยสัจสีคืออะไรก็คือเห็นขันหานี่แหละเห็นกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเห็นมันเป็นทุกข์คือเห็นว่ามันไร้สาละ เห็นว่ามันมีกัณสารเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเลยมันเป็นแค่สภาวธรรมเท่านั้นเองเขาเรียกว่าเห็นสภาวะทุกข์ถ้าหากว่าไม่เห็นสภาวะทุกข์ไม่เห็นว่ามันมันมันเป็นแค่ของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่มันก็จะไปยึดว่าเป็นของเรา แล้วก็จิตของเราก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาคือถ้าเห็นทุกอย่างเดียวชัดเจนตัณหาก็ไม่เกิดเพราะมันเห็นแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเหตุแห่งทุกข์ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่ต้องเริ่มทุกข์ให้กําหนดรู้ทันทีเลยนี้คือทุกข์ให้กําหนดรู้เมื่อรู้แล้ว เหตุแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะรู้แล้วก็คือรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยากแค่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไม่มีขึ้นมาในจิตความอยากก็ดับไปอุปทานก็ไม่มียึดไม่ได้เพราะมันแค่ของเกิดดับของไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอุปทานก็ดับไปด้วยตัณหาดับอุปทานดับนิโรธก็เกิดขึ้นในจิตหมายว่าไม่มีทุกข์ในจิตถึงจะเป็นนิโรธชั่วคราวก็ตาม แต่มันเป็นนิโรธที่มันมันสอดคล้องกับนิพพานละหมายว่าทุกดับไปจากจิตได้ถึงดับชั่วขณะก็ตามมันก็ยังเป็นหลักฐานยืนยันว่าทุกนี่ดับไปได้บางทีมันมีทุกข์ขึ้นมาในจิตเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเออความทุกข์เหล่านี้มันเป็นทุกข์ทางใจก็ตามเห็นว่ามันเกิดึ้บตั้งอยู่ดับไปขงมันมันก็พอมันดับแล้วก็เป็นนิโรธขึ้นมาทุกไม่มีในจิต ถึงพันิพาณก็คือทุกดับไปถาวรเลยไม่เกิดขึ้นอีกเลยในจิตการปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ทุกดับไปจากจิตนี่แหละก็เรียกว่าอาริยมามรมีองแปดทีนี้ถ้าเวลาปฏิบัติที่นี่อันนี้เราพูดถึงว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าสาสิเจประการนี้แต่ทีนี้เรามาพูดในแง่ของสภาวธรรมอย่างวันนี้เราปฏิบัติแล้วเป็นยังไง นี่เราจะมาดูว่าขณะนี้จิตเราเป็นยังไงรู้ตัวไหมถ้ารู้ตัวอยู่แสดงมีมสติและนี่คือสติตัวสติคือรู้ตัวรู้สึกตัวนี้ถ้าเรารู้สึกตัวสตินี้มันจะควบคุมจิตกากับจิตให้จิตอยู่กับตัวเราแน่นอนนี่เรียกว่ามีสมาธิถ้ามันอยู่กับารมเดียวนานขึ้นเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าตัวสมาธิสมาธิขั้นต้นก็คือ การที่สติควบคุมจิตให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นหลักก็คือว่าเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆตามลําดับตามลําดับเมื่อจิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันเป็นสมาธิแล้วแต่มันก็ยังรู้อารมณ์เดียวอยู่ถ้าหากว่าเราอยู่แค่นี้มันไม่ก้าวหน้าเราก็ต้องพยายามที่จะให้มันเจริญสติสัมปชัญญะหมายว่า ให้จิตเนี่ยมันเป็นสมาธิด้วยมันนิ่งด้วยแล้วก็สามารถรู้อารมณ์ได้ด้วยอะไรเกิดขึ้นให้รู้เพราะฉะนั้นการที่ดูกายบ้างดูเวทนาบ้างดูจิตบ้างดูธรรมบ้างอันนี้ก็คือเจริญสติสัมปชัญญะนั่นเองมันก็ถูกต้องแล้วตามหลักธรรมของพุทธเจา้าบางคนตอนแรกพอจิตสงบแล้วมันสบายทีนี้ต่อมามันพัฒนาขึ้นมามันเริ่มรู้อารมณ์เขาบอกเอ๊ะทำไมมันไม่นิ่งเหมือนเก่า ทำไมมันรู้นู่นรู้นี่ทำไมมีแต่สติอันนี้มีคนถามจริงๆนั่นคือเขาไม่รู้ว่ามันพัฒนาขึ้นมาจนมันสามารถรู้อารมณ์ได้แล้วแต่ก่อนนั้นน่ะมันไม่สามารถออกรู้อารมณ์ได้เพราะถ้ามันออกไปรู้อารมณ์มันจะหลุดก็เลยต้องคุมไว้คุมไว้คุมไว้ ม, วมวีอันนี้เป็นขั้นที่ทำสมาธิเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเออเราอยู่ในขั้นนี้ก็ต้องยอมไปก่อนพรอมไปขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ต้องกลัวติดสมถะ ถ้าหาว่าเรารู้ว่าเออนี่ขั้นนี้เราจำเป็นจะต้องรักษาจิตเราไว้เพื่อให้จิตเราเป็นสมาธิสักก่อนเราก็ยอมเสียเวลายอมทาตรงนี้สัก่อนทีนี้พอมันนิ่งและมันมีกำลังขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็เริ่มออกรู้มีสติสัมปชัญญะอะไรชัดก็เริ่มดูได้ที่นีดูแลไม่หลุดนี่ก็คือมันดูได้แล้วลมมาดูลมได้มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายดูได้ เวทนามาดูเวทนาได้จิตก็ยังแน่วแน่อยู่ดูเวทนาไปจิตมันคิดอะไรขึ้นมามันอยากขยับมันอยากเลิกมันลำคาญดูจิตได้ต่อมาเวทนามันเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงกลับไปดูเวทนาได้ถ้ามันไปดูความเปลี่ยนแปลงว่าเออมันเปลี่ยนแปลงนะแทนที่มันจะเป็นเวทนามันไปดูมุมอีกมุมหนึ่งละดูในแง่ของว่ามันเปลี่ยนแปลงจิตก็เริ่มมองเห็นว่าเออ มันเป็นเหมือนธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนไม่ใช่เรานี่มันก็เริ่มที่จะเข้าหาธรรมไปดูธรรมแล้วจากสติสัมปชัญญะมันก็มาเป็นปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์เมื่อเห็นพระไตรลักษณ์ตอนแรกก็เห็นห่างๆก่อนเห็นนานๆเห็นทีหนึง่งเห็นแล้วก็จิตก็เริ่มสอนจิตได้ด้วยว่าเออนี่เห็นไหมมันไม่ใช่ของเรานะนี่ยังผ่านความคิดอยู่ไอ้ความไม่ใช่ของเราเนี่ยมันยังต้องอบรมจิต ก็ธรรมดาสมควรอบรมก็อบรมได้เนี่ยเวลาปฏิบัติเราต้องรู้ด้วยว่าขณะนี้เราควรทำยังไงควรสอนจิตก็สอนได้บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมันสอนจิตได้ไดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นความคิดไหมมันจะเป็นปรุงแต่งไหมไม่ใช่มันถึงเวลาควรจะสอนจิตต้องสอนเพื่อจะย้ำให้จิตเนี่ยมันมีความลึกซึ้งในธรรมะเข้าไปในจิตมากขึ้นก็มันไม่ใช่ของเราจริง เราสอนจิตเราแล้วถ้าหาว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้จิตนี้มันพอใจมันเกิดความลึกซึ้งมีความดื่มด่านั่นคือถูกแล้วแสดงว่าจิตของเราต้องการเราก็สอนได้เลยการสอนจิตได้นี่แหละที่พระเจ้าเรียกว่ายยนิโสมนสิกานหมายว่าคิดถูกหลักใส่ใจถูกหลักสอนจิตได้ถูกตรงกับความจริงถ้าใครมาถึงตรงนี้ได้พระเจ้าบอกว่าเป็นลุกอรุณของความพ้นทุกข์ละ ที่เห็นพระไตรลักษณมันก็จะเห็นต่อมามันก็เร็วขึ้นถ้าหาว่าเราปฏิบัยิไม่หยุดมีความเพียรต่อเนื่องแล้วก็เร็วขึ้นชัดขึ้นที่แรกเห็นหนางางก่อนอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตก็อธิบายให้ให้ตัวเองฟังคือจิตนี้มันจะสอนจิตก็คือมันเอาธรรมะนั่นแหละมาสอนจิตจิตมันเคยหลงอ่าพอมันมันเห็นความจริงแล้วรู้สึกว่าเออจิตมันมันมันดีขึ้นมา มันก็เลยเริ่มสอนจิตให้มีความลึกซึ้งมากขึ้นต่อมาถ้ามันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นไม่ต้องสอนก็ได้มันเหมือนเข้าใจแล้วมันยอมรับแล้วแค่เห็นมันเข้าใจมันก็ปล่อยถ้ามันยังจำเป็นต้องสอนมันก็พูดได้นี่เกิดแล้วก็ดับนะไม่ใช่เรานะมันก็ไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติยิ่งมันทีเข้าทีเข้านี่มันเฉยเลยเห็นแต่รู้แต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเอง เมื่อความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เร็วขึ้นทีขึ้นนี่แสดงว่าปัญญากล่ามากมองดูจิตมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปช้าๆด้วยรวดเร็วรวดเร็วชนิดที่เหมือนไม่ใช่เราอีกเลยเนี่ยเนี่ยมันมันก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นในใจเราทีนี้มันถ้ามันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นตับสภาวะ ที่มันบอกให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราก็จะเกิดขึ้นเป็นญาณชนิดหนึ่งกำกับอยู่ในจิตของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าความรู้สึกทางกายหรือเวทนาหรือว่าตัวจิตเองมันนึกอะไรขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะมีญาณให้รู้ว่าตัวนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เรามันเริ่มทะลุออกมาข้างนอกแล้วมันเริ่มเข้าใจระบบของธรรมชาติว่าในธรรมชาตินี้ สิ่งใดซึ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาจากนั้นมันจะสรุปทันทีเลยและประหารกิเลสได้บรรลุอริยมรรยผลได้เพราะนั้นคนปฏิบัติธรรมนี้จึงบรรลุมรรยผลได้บรรลุนิพพานได้เพราะการเห็นพระไตรลักษณ์ชัดเจนแจ่มแจ้งชนิดที่ไม่สงสัยอีกต่อไปเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติวันนี้ได้พูดภาพรวมของการปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเจริญสติจนกระทั่งบรรลุมรรคผลเมื่อบรรลุมรรคขั้นที่หนึ่งปัญญาก็เห็นแจ่นแจ้งชัดเจนถ้าปัญญายังไม่กล้าพอเห็นระดับหนึ่งแล้วปัญญานี้ก็จะดับไปปัญญาดับไปคนผู้ปฏิบัติก็ต้องเริ่มปฏิบัติใหม่อีกเพียรใหม่เดินเจงกรมหนังภาวนาอะไรไปเรื่อยจนปัญญามันกล้าขึ้นมาอีกถ้าบรรลุ มรักครั้งที่สองเรียกว่าสัคขาคามีมรักก็จะเห็นชัดเจนอีกแล้วเห็นประไตลักษณ์ชัดเจนเห็นความไม่ใช่เราชัดเจนปัญญาก็ตั้งอยู่ระดับหนึ่งแล้วปัญญาก็จะหายไปก็ต้องมาเพียรอีกแล้วแต่ที่นี้เพียนต่อไปไอ้สิ่งที่ยังละไม่ได้ก็จะมาดูใหม่ดูรูปนาำขันห้าแล้วก็ดูว่าจิตไปติดไปข้องอะไรมันก็จะมาพิณาไอ้ลูบลดกลิ่นเสียงสัมผัส เอามาเพื่ออะไรควรไปหาเหตุหาผลมากขึ้นถ้าบรรลุมรักขั้งที่สามเห็นชัดเจนแจับแจ้งละสังโยชน์ได้เพิ่มขึ้นแล้วปัญญาหมดไปก็ต้องเพียรอีกแต่ว่าความละเอียดของสภาวธรรมมันก็มากขึ้นก่อนละสิ่งที่เหลือสิ่งที่ยังติดยังค้องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของจิต ที่มันติดข้องอะไรต่ออะไรมันก็ไปดูที่จิตจนบาลุมักขั้นสุดท้ายคือครั้งที่สี่ต้องมีสี่ครั้งอริยสัจสี่ก็ประหารกิเลสได้พ้นทุกได้พ้นทุกข์ก็ใช่ไม่มีตัวเราของเราก็ใช่รู้รู้ในจิตรู้ในจิตลึกๆเหมือนเข้าไปรู้ความจริงแล้วถอยออกมาก็มีเราอยู่แต่มีเราโดยสมมุติแล้ว มีเราชั่วคราวเท่านั้นเองมีเราตราบใดที่เรายังมีขันห้าอยู่เราก็ยังมีอยู่แต่ถ้าขันห้าหมดไปเมื่อไหร่เขาเรียกว่าอานุ ป, ปาทิเสสนิพานนิพานเนี่ยตัวตนสังขารดับไปละถ้าเป็นผู้ยอเรียกขันท่าปรินิพานหมายถึงว่าดับขันท่าปรินิพานไม่มีขันละ นิพพานธาตุก็เข้าสู่ธรรมธาตุไปขั้นสุดท้ายแต่ตอนที่หมดทิ่งกิเลสนี้เขาเรียกว่าสัตุปาทิเสสนิพานหมายถึงนิพพานที่หมดกิเลสแล้วหมดทุกข์แล้วแต่ยังมีขันเหลืออยู่เพราะนิพพานยังมีสองอย่างสัตุปาทิเสสนิพานหมายถึงนิพพานบรรลุนิพพานแล้วพ้นทุกข์แล้ว แต่ว่าขันยังอยู่ก็อยู่ไปทำประโยชน์ได้ก็ทำไปรอเวลาว่าธาตุขันดับไปเมื่อไหร่ก็เข้าสู่นิพพานธาตุหมดไม่มีหนี้ไม่มีสินพ้นทุกข์หมดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบางคนคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเออถ้าว่าไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยมันจะสนุกไหมมันจะ มันจะว่างเปล่าไม่มีอะไรไหมมันจะดีไหมแต่ผู้ที่เข้าถึงแล้วพอใจมากว่าตรงนั้นแหละคือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงคือการไม่กลับมาเกิดอีกคือการที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดของจิตแล้วเข้าสู่ธรรมชาติเข้าสู่ความเป็นธรรมธาตุหมดปัญหาทั้งหมดในชีวิต ที่เพียนมาตั้งแต่ต้นก็เพื่อตรงนี้เองที่มนุษย์ทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดก็รอเวลาที่จะเข้าถึงอนุปาที่เสสานิพานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครมีปัญญาก็ไปก่อนพ้นทุกได้ก่อนถ้าใครยังรู้สึกว่าเอายังอาไยอาวร์กับโลกอยู่ยันจากช้าชีวิตอยู่ต่อไปถ้าอยากสุขสบายก็ทำบุญมากๆ เมื่อบุญมากมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยมากๆก็อยู่ใช้สอยตายเวลาตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงสูงเสวยสุขก็สเสวยปลายหมดบุญเมื่อไหร่ก็กลับลงมาวนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะเบื่อหน่ายต้องการออกจากทุกข์เมื่อไหร่ก็ต้องมาปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อออกจากทุกนี้เท่านั้น จึงจะจบจึงจะหมดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าเอาต่อไปให้เราซ้ำรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะเราก็ดูเอานะว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนตอนไหนเราก็ดูของเราไปเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้ามันก็มีหลายระดับขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบตัติเราก็พูด ให้มันให้มันจบขบวนการของมันเพราะเป็นหมวดธรรมที่สำคัญเพราะนั้นใครจะสอนก็ตามใครปฏิบัติก็ตามต้องอยู่ในธรรมหมวดนี้เท่านั้นถ้าไม่ตรงกับธรรมหมวดนี้แสดงว่าไม่ตรงกับคําสอนของพระุทเจ้าแน่นอนเพราะธรรมหมวดนี้มีในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เราจะให้ดูปฏิบัติไปตามลาทางสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะหยุดแล้วเพราะนั้นตั้งใจดูให้จริงจังให้รู้ว่าการปฏิบัติของเราเป็นยังไงในครั้งนี้ในวันนี้ดูเข้ามาที่จิตใจของเราให้รู้ว่าตอนนี้จิตของเราอยู่ยังไงจิตของเราดูอะไร เรากําลังทําอะไรจิตมันรู้อะไรขึ้นมาบ้างจิตของเราเป็นยังไงทําอะไรมันอยู่ยังไงมันเห็นอะไรมันตื่นอยู่ไหมรู้ตัวไหมอะไรเกิดขึ้นมันรู้ไหมรู้แล้วมันปล่อยวางวางเฉยเป็นอุเบกขาได้ไหมตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้วก็ ขอให้การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในวันนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ให้กายกับใจเราเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พะผู้ปฏิบัติธรรมนี้ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจา้าเราก็เลยทําความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วรวมทั้งจิตใจด้วย เคยให้ใช้อุบายว่าเหมือนกับเราเด็ดดอกไม้มาดอกไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ไปวางไว้บูชาพระคราวนี้เราทำเหมือนกับว่าร่างกายจิตใจของเรานี้แทนดอกไม้นั่นแหละทาความรู้สึกเหมือนว่าเราถอยออกมาถอยออกมาเหมือนจิตเราเนี่ยผู้รู้เนี่ยถอยออกมาดูกายเราจิตของเรา เหมือนเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าแล้วก็คือเหมือนกับวางกายวางจิตเหมือนกับไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วทดลองวางเฉยดูเหมือนปล่อยให้ร่างกายจิตใจเป็นเหมือนดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เหมือนกับไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไป เหมือนกับว่ามันอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วแล้วก็มาดูว่าผู้รู้รู้สึกยังไงผู้รู้รู้สึกยังไงไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเจ็บปวดมึนชาคันวางหมดเพราะมันอยู่ที่ร่างกายนี่นะเราก็ให้มันอยู่ไปร่างกายเหมือนไม่ใช่ของเราอีกแล้วเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้ว จิตใจมันจะเป็นยังไงก็ตามก็มันก็แค่ธรรมชาติอันหนึง่งเพราะมันเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าไปแล้วทีนี้ผู้รู้รู้สึกยังไงตรวจ ด, ดูผู้รู้อีกจากนั้นก็ย้ำกับตัวเองนะย้ำกับตัวเองและสุดท้ายแล้ว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 ความนาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่ ร, รักษาและนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่ ร, ร, รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สามีพันยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญ ญ, ญาณทั้งหลายที่สิงสถิต Gold อยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านในเรือนในที่ทํางานร้านค้าไร่นาสวนที่ดินในสมบัติพระสถาน ทุกชิ้นทุกอันของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะ น, นี้ทุกชั้นทุกภูมิไม่ว่าจะเป็นเทวดาผู้ปีปีศาสักคนทันคุงพันนาคุดมารพรมให้ยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าเมื่อรับเอาบุญของข้าพเจ้าแล้วให้มาปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกื้อหนุนข้าพเจ้าทําสิ่งใดขอให้มีแต่ความราบรื่นมีในความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด ข้าพระเจ้าจะมันทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เลเยตไปทําความรู้สึกว่าเต็มใจให้บุญเนื่องจากบุญของเรายังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์เราต้องให้มากๆเราอยากย้ําไปที่ขายให้ได้วันนี้บุญเรามีแน่นอนบุญเกิดแน่นอนเราก็ย้ําบุญให้กับผู้ที่เราต้องการให้บุญนั้นเอาแล้ววันนี้พอแค่นี้นะ